เอิญวันนั้นโยมมารดาท่านไปที่วัดไม่ทราบอะไรดดนใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปสลาอย่างรีบด่วนโดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมาัตสีมาอยู่ที่สลาขอนิมนท่านลงไปสลาเดี๋ยวนี้ทั้งร้องเรียกทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้ากุฏิให้รีบลงไปโดยด่วนจนท่านตกใจตื่นทั้งหลับแล้วรีบลงมาจากกุฏิทันทีมิได้คิดว่าอะไรเป็นอะไร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 ท่านจึงถามโยมารดาว่าเพราะเหตุไรอยู่ๆจึงมาเรียกปลุกท่านอย่างรีบด่วนจนไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรีบลุกออกมาทั้งที่กำลังเป็นบ้าหลับบ้าตื่นและเวลาตื่นขึ้นมาแล้วยังงง ง, งันอยู่เลยแม้กระทั่งไม้ล้มทับกุฏิโยมารดาบอกว่าเหมือนมีอะไรบันดาลใจให้ต้องรีบไปปลุกท่านให้ลุกเพื่อมาดูพระนางมัสสีประกอบกับขณะนั้น ก็ปรากฏเห็นพระนางมัตสีมานั่งอยู่บนศาลาจริงๆด้วยโดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมาัตสีจึงอยากให้พระลูกชายมาต้อนรับและดูพระนางมาัตสีแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวสสันดรชาดกไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นองค์พระนางมัตสีเองสเสด็จมาอยู่ที่ศาลาในป่าเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความตื่นตันใจยางบอกไม่ถูกจึงรีบไปปลุกลูกชายให้ตื่น แล้วรีบลงไปศาลาหาพระนางมาสัสีเรื่องก็ดังที่ปรากฏนั่นแหลโยมท่านว่าผมเองก็อัศจรรย์ไม่เคยคาดคิดว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นไม่จช่นนั้นผมต้องตายแล้วแต่บัดนั้นท่านว่าขณะฟังท่านเล่าคนลุกสู้ทุกทีท่านว่าการบรรดาจริงๆที่ว่าพระนางมาสัสีมานั่งอยู่ที่ศาลานั้น น่าจะเป็นเทวดานิมิตเพศเป็นพระนางมัสสีมาช่วยชีวิตท่านไว้แม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้นไม่ได้เป็นท่านมาจนบัดนี้เลยฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนั่งอยู่บนสล า, ร, ารูปร่างสวยงามมากไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงที่ประกาศตนว่าเป็นพระนางมาสัสสีซึ่งนั่งอยู่บนสล า, านั้นแต่เวลาพากันกลับมาดูอีก หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่เห็นมีพระนางมัสสีอยู่ที่นั่นเลยเห็นแต่รูปพระเวสสันดรกับรูปพระนางมัต ส, สีที่มีอยู่บนศาลามาดั้งเดิมเท่านั้นไกลๆนึกประหลาดและอัศจรรย์ไปตามๆกันที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทํานองนั้นท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกุวชวิตต่อชีวิตมาหลายครั้งคือเคยเผชิญกับเสือมาหลายครั้งหมายลมทับกุติหลกละเอียด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 ไม่นึกไม่ฝันเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นคือกิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุพัดทนไม่ไหวอักขาดตกลงถูกกรดในมือท่านแหลกละเอียดหมดบาดหลุดบาดตกกระเด็นไปคนละทิศละทางคราวนี้เป็นอันว่ายังเหลือแต่ตัวกับลมหายใจทนหนาวอยู่คอยวาระสุดท้ายจะมาถึงบริขารชิ้นใดตกไปไหน ก็ไม่มีทางทราบได้เพราะเป็นเวลากลางคืนฝนกำลังตกหนักพายุ ก, กาลังแรงเต็มที่ตามองไม่เห็นอะไรมีแต่ยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าจะหยุดทำงานกันขณะใดา ย, ยังมีติดตัวอยู่เฉพาะสบงกับจีวอที่นุ่งห่มปกปิดกายเท่านั้นทั้งเปียกปอนไม่มีดีเลยความหนาวเน็บเจ็บปวดปรากฏว่ารวดราวไปทั้งร่างชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูก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 ขณะที่ฝนกำลังตกนั้นก็บังเอิญมีงูสามเหลี่ยมใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาหาท่านไล่ก็ไม่ยอมหนีมันเลื้อยเฉียดมาที่เท้าก้มลงดูใกล้จึงทราบว่าเป็นงูสามเหลี่ยมที่พอมองเห็นได้บ้างก็เพราะเป็นหน้าเดือนไงแม้จะมืดด้วยอากาศฝนก็ยังพอมองเห็นได้งูตัวนั้นจากไล่ไม่ยอมหนีแล้ว มันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆคนอีกห่างกันประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นจึงทำให้คิดปลงอนิจจังว่าคราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทนแต่งูตัวนี้เวลาฝนตกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงกลับมานอนขดอยู่ข้างเราอย่างนี้ซึ่งไลก็ไม่ยอมหนีเจ้ารอยมันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมัง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 ก็ไม่มีทางทราบได้เถียนไขและโคมไฟที่อยู่ในบาดก็เช่นกันไม่ทราบตกหายไปไหนจำต้องทนนั่งลิงนอนลิงเป้างูสามเหลี่ยมอยู่จนถึงสว่างเมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้างจึงเที่ยวค้นดูบริการต่างๆที่ตกหายไปเฉพาะกรดถูกกิ่งไม้ทับแหลกไม่มีชิ้นดีเลยส่วนบาดถูกไม้ทับบูบีไปหมดแต่ยังพอแก้ไขได้ จึงนำมาทุบตีที่บุบๆออกพอได้ใส่อาหารชันในวันต่อไปตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่านต่างพากันมาปรงธรรมสังเวทว่าท่านมีบุญมากไม่ตายไปเสียแต่คืนนี้น่าสงสารท่านเหลือประมาณแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เวลานั้นเพราะทางบ้านก็หลังคาถูกพายุพัดกระเจิงไปตามลมก็มีเยอะเหตุการณ์ขนาดนี้ถ้ายัางไม่ถึงคราวก็ผ่านพ้นไปได้แต่ใครเล่า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 วิธีนี้เรียกว่าวิธีจนตรอกถูกฆ่าศึกคือฝนตกพายุพัดลูกเห็บตกและกิ่งไม้หักตกลงมาทับบริหารแหลกกระจุยกระจายซึ่งเป็นฆ่าศึกชนิดล้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ที่เรียกว่ารบฆ่าศึกแบบวิธีจนตรอกตัวเองแทบตายแต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้นับว่ายังไม่ถึงคราวและผ่านมาจนได้เป็นครูอาจารย์ให้อัถะใหธรรมะ คณะลูกศิษย์ยังได้ฟังธรรมะเดนตายจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมะก็คงไม่เหลือเป็นธรรมะเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้วคณะลูกศิษย์รู้สึกได้เปรียบท่านอยู่มากอยู่ๆก็ได้ฟังไม่ยากเย็นเข็นใจเหมือนท่านผู้ขวนขวายท่านอาจารย์องค์นี้ทุกข์ก็มากทั้งเป็นทุกข์ซ้ำซากนับแต่เริ่มปฏิบัติมา ภูมิธรรมท่านก็สูงน่าเคารพ บ, บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราแม้ทุกวันนี้ท่านไม่ได้ลดหย่อนผ่อนความเพียรเพราะท่านเคยได้ผลด้วยความเพียรจึงพยายามเพียรเรื่อยมาไม่เคยเห็นผลจากความเกียจคร้านอ่อนแอท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอท่านที่เคยเห็นผลในทางใดก็มักเพียรในทางนั้นดังได้กล่าแล้วข้างต้น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 ส่วนท่านนี้เป็นผู้มีคุณธรรมที่น่าชมเฉยและชมว่าเป็นผู้พูดน้อยแต่ต่อยมากไม่ค่อยมีการพูดพล่ามลຽดๆแล้งๆซึ่งความจริงไม่ค่อยมีดังที่ควรจะเป็นแต่ท่านนี้ชอบพูดจริงทำจริงเป็นนิสัยสมเป็นพระปฏิบัตินับตะวันบวชมาจนบัดนี้ดังนี้สำหรับอติเรกลาบท่านไม่ค่อยมีมาก แต่บรรดาพระลัคนาสิทธิ์ท่านก็ทราบได้ดีถึงสาเหตุที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มากเนื่องจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขาเป็นนิสัยไม่ค่อยออกมาบ้านเมืองที่มีผู้คนมากและท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นฐานที่ผู้คนจะพอทราบและเข้าถึงท่านได้ง่ายๆอีกประการหนึ่งท่านมีนิสัยไม่ชอบเกลื่อนกลนวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องไถยทานทั้งหลาย ยิ่งกว่าการสนใจในธรรมะจึงทําให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักสแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบำเพ็ญเพื่อธรรมะที่ตนมุ่งหมายจะสะดวกท่านอาจารย์องค์นี้ปกติชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ร้ายซึ่งน่าจะเคยมีอริสัตรูต่อกันกับสัตว์ทั้งหลายมาแต่อดีตอยู่มากมาย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 และเชื่อสมรรถภาพทางจิตใจตนเองมากขึ้นกว่าปกติธรรมดาที่ไม่ประสบพบปะสิ่งใดๆเสียเลยจึงทาให้สันนิฐานหรือคิดค้นเดาไปตามความรู้สึกของวงนักปฏิบัติกรร ม, มาฐานด้วยกันว่าเพราะอำนาจแห่งเมตตาจิตอำนาจแห่งจิตของผู้ปฏิบัติและอำนาจแห่งธรรมะอันเป็นธรรมะที่เคยให้ความไว้วางใจ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 มิฉะนั้นคงเป็นอันตรายแก่ชีวิตพระมรจันไปนานแล้วไม่ได้มาเป็นเจ้าของประวัติทั้งที่องค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้เลยธรรมะจึงเป็นความมหัศจรรย์เกินคาดสําสหรับผู้ที่ได้สัมผัสรับทราบประจักษ์ด้วยตนเองแต่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับรายที่ไม่อยู่ในวิสัยจะมีทางทราบได้แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมะต้องเป็นธรรมะคู่เคียงกับโลกอยู่เสมอไปมิได้ขึ้นอยู่กับความสัมผัส ร, รับรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อของใครๆเพรอดธรรมะเป็นเอกสิทธิ์เอกธรรมตามหลักธรรมชาติของตนมาดั้งเดิมมิได้ขึ้นอยู่กับอะไรพอจะเอ็นเอียงหรือคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นๆ